การทัดพลาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นเรื่องที่เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะผู้คนก็จึงไม่ปราถนาการทัดพลาด แต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถหนีการพัดพรากได้จ่ว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนีไม่ได้ดีือมันเป็นสิ่งจําเป็นด้วยการพัดพรากเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโตลองนึกซะว่าทารกที่อยู่ในคันเนี่ย เมื่อครบเก้าเดือนแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่มีใครพาเขาหรือดึงเขาออกมาจากตัวแม่เนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ไม่ว่าในคันที่มันจะอบอุ่นสบายยังไรสำหรับทาโลกแต่ว่าก็จำเป็นที่ต้อง จากพรากออกมาจากตัวแม่เพราะว่าเด็กจะได้เติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ถ้าเด็กไม่ยอมออกจากตัวแม่นะก็มันก็กลายเป็นเรื่องอันตรายขึ้นมาทันทีนะก็หมายถึงว่ า, าตายทั้ง ตัวเด็กแล้วก็ตัวแม่ด้วยที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการออกจากครากจากร่างกายของแม่อันเด็กเนี่ยเมื่อเมื่อออกมาแล้วอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อย่างใกล้ชิด อยู่ในอ้อมกอดแทบจะทุกวันเลยแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเด็กก็ต้องจากพ่อแม่ออกจากอ้อมกอดเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเพื่ออะไรนะก็เพื่อสามารถจะอยู่รอดได้ในโลกนี้ด้วยตัวเอง ถ้าเด็กไม่ยอมออกจากอ้อมกอดของพ่อแม่เพราะว่ามันสบายนะเด็กก็คงจะไม่มีวิชาความรู้ไม่สามารถจะเติบโตทางสติปัญญาได้เมื่อเรียนมาจดหนึ่งจุดหนึ่งนะมันก็ต้อง จากบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าจากพ่อแม่ไปไกลขึ้นชนไปเรียนต่อไปเรียนต่อในจังหวัดไปเรียนต่อในกรุงเทพหรือไปเรียนต่อต่างประเทศนี่ก็คือการพัดพรากหรือการจากพรากที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งไปเพื่ออะไรนะไปเพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้เพิ่มพูนมากขึ้น ถ้าไม่ไปก็อาจจะยังดักดานอยู่ก็ได้คราวนี้มันไม่ใช่แค่จากพ่อแม่จากบ้านไเท่านั้นแต่ว่าอาจจะจากท้องถิ่นหรือบ้านเกิดเมืองนอนที่คุ้นเคยเนะเมื่อกลับมาแล้วก็จะพบว่า อดีตที่คุ้นเคยนะในวัยเด็กมันสูญหายไปหมดหรือว่าจากไปอย่างไม่มีวันกลับเลยก็ได้เช่นตึกแถวเก่าเก่าหรือว่าร้านโชว์หวยนะร้านตัดผมโรงหนังนะที่เคยวิ่งเล่น อยู่ใกล้ใในวัยเด็กมันก็จากหายไปถ้าใครดูหนังเรื่องแฟนชันนี่ก็จะเห็นตรงนี้ได้พอเด็กเติบโตแล้วกลับมาก็ไอสิ่งที่เห็นนี้คุณเคยก็ไม่เหลือเลยลวมันก็มีแต่อดีตหรือซึ่งเรียกอะไรวันหวานวันห ว, ว, ว, วานชื่นที่อยู่ในความทรงจำ และนั่นก็คือสิ่งที่จําเป็นในการจากพากเนี่ยการเติบโตมันเป็นสิ่งที่แยกจกากกันไม่ออกคนเราจะเติบโตก็ต้องมีการจากมีการพรากไปถ้าไม่ถ้าไม่ยอมจากมันก็ไม่มีการเติบโตแต่แน่นอนนะว่า ไอการจากพาะแต่ละครั้งก็เจ็บปวดนะเด็กเนี่ยทารกเนี่ยเวลาอยู่ในคันเนี่ยไม่ยอมเลยไม่ยอมออกจากท้องแม่ต้องไปต้องหมอตำยาหรือห ม, หมอพยาบาลต้องดึงออกมาเด็กออกมาแล้วก็ร้องไห้กลัวตื่นตะหนก พอเด็กไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอนาคตที่ดีกว่ามันรออยู่ข้างหน้านเด็กก็ยังพอใจกับไอ้สิ่งที่คุ้นเคยในท้องของแม่มันอบอุ่นมันสบายตรงนี้เนีะที่เราทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อออกมาแล้วนะมันก็แม้จะเจ็บปวดแม่หน้า กลัวตื่นตกใจแล้ว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นออกมา่าท้องแม่ก็ได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูได้รับการศึกษาก็มีการเติบโตทั้งทางกายแล้วก็ติตใจแล้วก็สติปัญญา นั่นจะเรียกได้ว่าการการจากพรก่ามันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโตไม่ใช่แค่การเติบโตทางกายเพื่อแต่รวมเป็นการเติบโตทางทางจิตใจด้วยนั้นคนเราพอมีอายุมากขึ้นมากขึ้นครนี้มันก็เจอการจากพราาอีกแบบหนึ่งแต่ก่อนนี่ เราเป็นฝ่ายจากจากจากร่างกายของแม่จากอ้อมกดของพ่ออ้อมกดของพ่อแม่จากบ้านเกิดเมืองนอนนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปคนอื่นนะ่ะเป็นฝ่ายที่จะจากเราไปอยู่ไปนานๆก็พ่อแม่ก็จากไป ต่อมาก็ญาติพี่น้องก็คอยจากไปเจาะคนสองคนถ้าอยู่ไปเมียยืนย่องเที่ย จ, จะเป็นลูกนะที่จากไปอันนี้ก็เจ็บปวดนะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าหากว่าพิจารณาสมัยก็จะพบว่าเออ มันไม่มีอะไรที่เชื่องแท้แน่นอนเลยมันไม่มีอะไรหรือใครที่เราจะฝากความสุขหรือความหวังเอาไว้ได้ฝากความสุขไว้กับใครนะก็จะผิดหวังแล้วก็จะเป็นทุกข์พระสิ่งนั้นไม่ไว่าจะเป็นคนหรือว่าวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นนามนธรรม หเหตุการณ์เหล่านี้แหละความพัดพราพแบบนี้ที่มันจะค่อยๆเปิดใจให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันได้สักอย่างมันก็ทำให้เราเห็นว่าจะพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนอกจากพึ่งพาตัวเองถ้าจะแสวงหาความสุขก็ต้องรู้จักหาความสุขจาก จากตัวเองคือจากจิตใจตเมื่อรู้ว่าในสก็จะรู้ว่าเนี่ยสุขหรือทุกข์นี่มีที่ใจเราอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือมีอะไรก็ไม่สำคัญท่บว่าเรารู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร หรือว่าเราหรือขึ้นอยู่ว่าระวางใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็คือที่ใจแล้วนั่นแหละสุดทุกข์และตรงนี้แหละที่จะนำพาให้เราได้พบกับความสุข ท, ที่ที่ประเสริฐที่สุดนะคือความสุขที่ใจซึ่งมันทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยก็คือไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับอะไรมันก็เป็นสละเพราะถ้าฝากาความสุขกับสิ่งใดมันกลายเป็นพึ่งพาพึ่งพิงแล้วก็สูญเสียความอิสระไปนี่พอเราพบว า, าความสุขที่ใชอยู่ที่ใจแล้วสามารถเข้าถึงได้ตรงนี้แหละที่ทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างอย่างปกติสุข มันคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีความพัดพราคสูญเสียมากมายเพียงใดตอนนี้ใจก็เป็นปกติได้อันนี้เราเป็นความความเติบโตทางปัญญานะขั้นสูงที่สุดนะสระชาพุทธเนี่ยคือจุดหมายที่ต้องไปถึงคือการที่เข้าใจโลกเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่ง ความพัดพรากใดๆความสูญเสีใดก็ไม่สามารถทําให้เป็นทุกข์ได้พอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้เมื่อมีปัญญาถึงขั้นนี้เมื่อต้องเจอความพัดพรากอีกครั้งสําคัญก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปนะคือต้องเจอความตายเมื่อจะต้องจากโลกนี้ไปจากทุกคนทั้งหลายที่รู้จักก็ไม่ได้ เสกเสียใจอะไรอาวร์หรือว่าตื่นตอนหนอกกนะ็เรียกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอันนี้เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นการเอาชนะความพัดพลาดกันนะการชนะความพัดพลาดไม่ได้ไหมายความว่าไม่พัดพลาดแต่หมายความว่ามันทำอะไรไม่ได้ ถึงตอนนั้นในความพัดพรากนะความจากมันก็ไม่น่ากลัวแล้วมันก็แค่เป็นปรากฏการธรรมดาเหมือนกับกลางวันและกลางคืนอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์กตกมันก็เป็นแค่เหตุการณ์ธรรมดาคนเราเวลา เจอความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนี่ยเราก็รู้สึกเฉยเฉยนะจากกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนเราก็ไม่เหรู้สึกเดือดร้อนหรือตื่นกลัวอะไรอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเราก็เฉยเฉยเพียงแค่เราปรับตัวไปไปตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั่นเองในความจากพราวก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะในลักษณะใดแม้กระทั่งความตายเราก็จะเห็นมันเพียงแค่ปรากฏการธรรมดา อันนี้ก็เลยว่าเอาชนะได้เอาชนะความจากพระเอาชนะความตายได้เพระฉะนที่จริจากที่ว่ามั น, นก็จะเห็นว่าการพัดพร่าหรือการจากพระนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะสิ่งที่มีประโยชน์แม้ว่ามันจะทําให้เกิดความทุกข์แต่มันก็ นำพาไปสู่สิ่งที่ดีๆเป็นลำดับไปความทุกข์ของทารกตอนที่ออกมาจากท้องแม่นมันมากมายเพียงใดแต่มันก็มันก็คุ้มนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องสิ่งที่จะได้รับหลังจากที่ได้ออกจากท้องแม่ผมมันได้ประโยชน์มากมาย มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องสิ่งที่ควรจะแรงแล้วคนเราตอนที่อยู่ในคันนี่มันก็นึกว่าการออกจากท่อมแม่นี่เรียกว่าเต็มทีแล้วเหลวร้ายที่สุดแล้วแต่ที่จริงนี่มันยังมีที่น่ากลัวกว่า น, นั้นอีกหรือว่าที่ทำความเจ็บปวดเสียใจมากกว่า น, นั้นอีก ที่การได้สูญเสียคนรักนะแต่ว่ามันก็สามารถจะนำไปสู่สิ่งดีๆอีกหลายอย่างโดยพราะการเติบโตนะทางปัญญาการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่ผ่านความสูญเสียมากๆเนี่ยเช่นคนคนแก่เนี่ยเขาก็จะ มีความมั่นคงในจิตใจมากกว่าพเพราะอะเพราะเเจอการพัดพรลราเจอความสูญเสียมาเยอะแล้วถึแม้ว่ากำลังวังชาจะน้อยลงทรัพย์สมบัติจะน้อยลงแต่ว่ามีความสุขมากกว่าอันนี้เข า, ามีการสอบถามความเห็นความรู้สึกของคนทั่วโลก เ, เจ็ดสิกว่ประเทศ เราก็ได้ข้อสรุปที่ ค, คล้ายๆกันในแต่ละประเทศแต่ประเทศคือว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยเช่น7จ็ดิบแนี่ก็จะมีความสุขมากกว่าวัยรุ่นในซ้ํานะอายุ80มีความสุขมากกว่าอายุ18ทั้งที่อายุ18นี่น่าจะมีความสุขมากกว่าเพราะว่ากําลังวังชา้าก็ดีความหวังก็ดีสารพัดแต่นั่นเป็นเพราะว่า แต่สิ่งที่ก็ขาดไปคือประสบการณ์และประสบการณ์อันหนึ่งที่สาคัญคือการเจอความพัดพลาดสูญเสียก็ทำให้รู้ว่าทำให้รู้จักทำใจได้พอเจออะไรไม่สมหวังก็ก็เออธรรมดาไอ้คำว่าธรรมดาธรรมดานี่เห็นอะไรก็รู้ว่าธรรมดามันก็ทำให้สามารถจะมีความสุขได้มากกว่า ไม่คนแก่ที่มีความสุขได้มากกว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวไอที่ทุกข์มากสุดคือช่วงนี้ช่วงวนนัยกลางคน40กว่าเนี่ยเ พ, เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกข์มากเพราะว่ามีความคาดหวังหลายอย่างกับชีวิตแล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับความล้มเหลว อุปสรรคปัญหาและก็ความพัดพราแต่พอเจอมากๆเข้ามากๆเข้ามันก็เกิดความจิตใจก็เข้มแข็งเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องถึงแม้ที่พระจตัดว่าเนี่ยการพัดพราจากสิ่งที่ล็ากที่พอใจเป็นทุกข์นะมันจะเป็นความจริงที่เห็นได้ชัดๆแต่ในอีกด้านของมันนะ มันก็นำมาสร่งความเจริญเติบโ ต, ตความจากคราบมันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเติบโตด้วยไม่ว่าจะเติบโตทางกายอย่างทารกเมื่อออกจากแม่หรือว่าเติบโตทางสติปัญญา เมื่อต้องไปไปเรียนต่อ้ที่ไกลไ ก, กลไกลจากพ่อไกลาจากแม่หรือว่าเมื่อต้องเจอความพัดพลาคจากคนรักฉะนั้นให้เราพิจารณาแบบนี้นะว่าเวลาเกิดความพัดพราคคือการจากพราดขึ้นมาแม้ว่ามันจะเจ็บปวด แต่ก็ให้เรามีความเชื่อหรือความหวังว่ามันจะนำสิ่งดีๆมาให้กับเราหรือว่าทำให้เราเกิดความเติบโตมากขึ้นในสายพุทธการก็มีหลายท่านนะที่เป็นพระอรหันเนี่ยเพราะว่าเจอความพัดพราดสูญเสียอย่างนาง กี่สาวคตมีนางปตจราเสียลูกบางคนเสียแค่หนึ่งบางคนเสียมากกว่า น, นั้นเนี่ยฉัปตจลานี่เสียทั้งผัวเสียทั้งลูกสองคนและพ่อแม่ในเวลาใกล้ๆกันห่างกันแค่วันสองวันจน้ทยเป็นบ้าแต่ว่าสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมจากพระเจ้า ก, ก็ได้สตินะแล้วก็ได้คิด ไอ้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็กลายเป็นต้นทุนที่ทำให้เกิดเกิดสติปัญญานะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกิดความเกิดการพัฒนานะทางปัญญาคนที่ไม่ไม่ไม่รู้จักพัดพรากไม่เจอการพัดพรากเลยนี่นายากมากที่จะเติบโตได้ ให้เวลาเราเจอความพลาดพราคแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสูนเศร้าโ่สเสียใจเนี่ยให้ลองนึกถึงตอนที่เราเป็นทาลรคนะตอนที่คลอดจากท้องแม่ถึงแม้ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แต่ก็คงจะนึกภาพออกว่ามันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากที่สุด นะเหมือนกับว่าโลกจะแตกนะหรือว่าแผ่นดินจะถลม่มสำหรับท้าโลกตอนนั้นมันคือคงเปรียบได้แบบนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนะนายซูก็จะรู้ว่าเออมันจำเป็นหรือว่าถูกแล้วนะ ที่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเหตดการณที่ถ้า ม, มีการออกจากท้องแม่นะมันก็จบเหตัหมดอยู่ในท้องถ้าตายในท้องแม่ก็ตายด้วยดนะังนั้นคาพรพายนัเรามันมีคุณประโยชนนะ์ถึงแม้ว่าตอนที่มันเกิดขึ้นนี่จะเจ็บปวดหรือว่าทำใจไม่ได้ แต่จะเห็นข้างมันเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปโดยเพราะเมื่อเราได้พัฒนาจนถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นความจริงสัจธรรมอย่างจำแจ้งว่ามันไม่อะไรที่เที่ยงเลยไม่มีอะไรที่คงที่คงตัวเลยจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรตอนนี้ ในความพัดพลาดนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ทําให้เสียใจไม่ทําให้เศร้าโศกไม่ทําให้เจ็บปวดซึ่งก็ถือว่าสมควรแล้วเพราะว่าความเจ็บปวดนี่จริงๆมันไอความพัดพลาดเนี่ยมันก็มันมีหน้าที่นะที่จะเคี่ยวเข็นให้เราเกิดการเติบโตหน้าที่ของมันคืออันนี้ เหมือนกับเหมือนกับครูหรืออาจารย์ที่คอยเขี่ยวเขียนสิทธ์ให้ได้ดีแม่ต้องดุด่าบ้างไม่ต้องกดดันบ้างแม่ต้องไม่ต้องถึงกับตีบ้างนักเรียนที่เจอครู ด, ดุด ด, ดนี่ก็เครียดนะแต่ว่าในสุดก็ก็เติบโตพอเติบโ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตแล้วก็ จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเมื่อมองย้อนหลังมาถึงประสบการณ์สมัยเป็นนักเรียนก็จะขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณในเหตุการณ์ขอบคุณที่อไอ ค, ความทุกข์ความยากลำบากทั้งหลายแลวเวลาเมื่อกลับไปโรงเรียนนะเจอครูก็คราวนี้ไม่กลัวครูแล้ว มีแต่ความรักมีแต่ความซาบซึ้งความกลัวตอนวัยเด็กมันหายหมดละเพราะว่าครูครได้ทาหน้าที่จนจนหมดสิน้นใอ้ความพัดพร่าความจากพร่าก็เหมือนกันนะมันก็หน้าที่ของมันก็คือเขี่ยวเข็นให้เราเติบโตแต่ในกระบวนการที่ว่ายก็ต้องมีความเจ็บปวดความเศร้าโศก แต่เมื่อเราเติบโตนิสสุดแล้วนะถึงตอนนี้ความจากพระก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้แล้วเพราะว่าหมดหน้าที่แล้วพอหมดหน้าที่มันก็เหมือนกับว่าเลิกเคี่ยวเขยนต่อไปครูเนี่ยเมื่อเมื่อส่งนักเรียนขึ้นชั้นแล้วตอนนี้ครูก็ไม่ดุแล้ว กูก็ไม่ดูด่าว่ากาแล้วเพราะจบหน้าที่ให้ความจาามับพลาดก็เหมือนกันนะเมื่อเราพัฒนาถึ ง, ถงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่มันก็หมดพลสงแล้วมันไม่ทำให้เราทุกข์อีกต่อไปเพราะว่าหมดหน้าที่ของเขาแล้วนะที่จริงนี่พูดเฉพาะเรื่องการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักนะ การประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะก็เหมือนกันนะแม้มันทำให้เป็นทุกข์แต่ว่าก็จำเป็นต่อการเติบโตเหมือนกันความผิดหวังความล้มเหลวนะความยากลำบากอันนี้ไม่มีใครอยากจะเจอนะอนเจอแล้วก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันก็ทำให้เติบโตเหมือนกัน คนเราถ้าไม่เจอความผิดหวังเลยมันก็ไม่มีปุ่มคุ้มกันความผิดหวังคนที่ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดจนโตเนี่ยพอเจอความผิดหวังเล็กๆน้อยๆเช่นอกหักนั่นแหละก็อาจจะคุ้มครั่งได้หรือนักเรียนที่เรียนได้ที่หนึ่งมาตลอดเนี่ย ได้สี่มาตลอดนะพอข้อหมายเฉลยได้สามหรือว่าได้สองโอ้มันจะจะเป็นบ้าให้ได้จะตายให้ได้ถ้าทั้งที่มันแสงอย่าบธรรมดามีเพื่อนเป็นชาญี่ปุ่นคนหนึ่งนะแกมาทำปริญญาเอก เกี่ยวกับเรื่องตำรวจในเมืองไทยก็คงเป็นแบบเรียนดีนะแล้วก็ดีมาตลอดแต่พอมาทำปริญญาเอกเรื่องตำรวจไทยนี่ปลุมมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากยากปฏิคิดแล้วก็ทำยังไงก็ไม่เสร็จสักทีตำรวจไทยนี่มีฤทธิ์มาก เรียนทำวิญญทยานิพนธ์ไงก็ไม่จบหมดเวลาแล้วก็ยังหมดเวลาที่จะมาอยู่ในเมืองไทยกลับไปญี่ปุ่นก็เขียนไม่ออกไปต่อไม่ได้กุ้งหัวกุ้งแตรมากสุดท้ายก็ผูกคอตายผูกคอตายเพราะทำใจไม่ได้ที่จะไม่จบปริญญาเอง ที่จริงแค่ปริญญาโทที่เขามีนี่ก็เอาไปใช้ทามาหากินอะไรได้เยอะแล้วหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ปัญญาเองเนี่มันหมดแล้วทุกสิ่งหมดเนี่ยชีวิตนี่หมดแล้วตายดีกว่าอันนี้ก็สำหรับคนที่สอบตกตกตลนหล่นนะหรือว่าเรียนไม่จบนะเรียนไม่จบ เป็นยาตรีนี่เขาจะสึกศึกษว่าโอ้ยการไม่จบเองนี่เป็นเรื่องธรรมดานะถึงไม่จบถึงไม่จบเอกแค่จบตรีหรือจบม .6 ก็ยังทํามากินอะไรได้หรือคนที่เจอความล้มเหลวบ่อยๆในการเรียน่สอบได้บ้างไม่ได้บางเขาก็สึกเป็นเรื่องธรรมดานะในการที่เรียนไม่จบนี่เป็นเรื่องธรรมดา อันนี้เราเขามีพวงคุ้มกันความทุกข์พวงคุ้มกันความไม่สมหวังแต่คนที่เรียนดีมาตลอดเนี่ยไม่มีูวง ค, คุ้มกันอย่นี้เลยพอเจอความไม่สมหวังสักแค่อย่างเดียวนี่ก็ทันใจไม่ได้นะและเพราะฉในการที่เจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเนะี่ยความล้มเหลวอุปรสรรค รวมทั้ความเจ็บความป่วยเนี่อันนี้รู้แล้ว แ, ลแต่มีประโยชน์ความเจ็บป่วยก็ทําให้บรรลุธรรมได้เนี่ยความเจ็บป่วยถึงแม้สำหรับบางคนทําให้ไม่บรรลุธรรมไปไม่ถึงนั้นก็ตามแต่ว่าก็ทําให้ได้พบความสุขความสงบได้หรือว่าได้พบธรรมะขอบคุณนะที่เป็นมะเร็งเพราะถ้าให้เป็นมะเร็งก็ไม่พบธรรมะ ก็คงจะเอาแต่ทํามหากหริ้วสนุกสนานพอป่วยแลว้วกลัวตายขึ้นมาก็เลยต้องเข้าหาวัดหรือว่าเอาหนังสือธรรมมาอ่านเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลทําอะไรไม่ได้อ่านหนังสือธรร ม, มก็เกิดปิ๊งขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วพอปฏิบัติได้จนพระความสุก็รู้สึกว่าชีวิตใหม่เกิดขึ้นเนะ่ย เป็นช่วยที่ดีกว่าเก่าดีกว่าตอนที่ไม่ป่วยได้ซ้ํเพราฉนถ้าเราพิจารณาดูใหดีเนี่ยการประสบกับสิ่งที่ไม่เราไม่พอใจหรือการผ่านไปจสิ่งที่เราที่พอใจนั้นมันรู้แล้วแต่มีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีเรื่องไม่พ้นก็จริงแต่ว่าหรือว่าเป็นสิ่งทำให้เจ็บปวดก็จริงแต่ว่ามันก็ทําให้ เกิดการเติบโตได้ได้สามารถจะส่งผลให้เติบโตจนจนไม่ทุกขต่อไปนม้เจอสิ่งที่ไม่รักหรือพัาดพลาดสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์ที่ให้เติบโตถึงจุดหนึ่งนี่มันต้อง ม, มีคําว่ารักแล้วก็มีความไม่มีคําคว่าไม่รักนะคือมันเป็นกลางกับทุกอย่าง ถ้ายิ่งรักก็ยิ่งหวงแหนยิ่งหวงแหนพอพลาดพลาดก็เสียใจเจ็บปวดและถ้าไม่รักอยากผักใส่พอเจอข้าก็ทุกข์เพราะว่าและเมื่อถึงจุดหนึ่งก็รู้ว่าไม่ยินดีไม่ยินลายนีนดีที่สุดมันไม่ใช่ว่าบังคับจิตไม่ให้ยินดีบังคับจิตให้ไม่ให้ยินลายมันไม่ต้องบังคับมันเป็นของมันเองเพราะว่าปัญญาพัฒนาถึงจุดที่เรียก ว, ว่ารู้ว่าทุกอย่างก็ มีค่าเสมอกันเอาล่ะชาดให้พวกมันทนนี้เอากลับครับ